2. ทุติยะทศพลสูตรว่าด้วยทศพลยานสูตรที่สอ ง, สสองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายตถาคตรประกอบด้วยทศพลยานและจตุเวสารัชยานจึงยืนยันฐานะที่องค์อาจบลือสีหนาตในบริษัททั้งหลายประกาศพรมจัก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 ภิกษุทั้งหลายธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่เข้าใจง่ายเปิดเผยประกาศไว้แล้วเป็นดุลผืนผ้าเก่าที่ตัดไว้แล้วอย่างนี้กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาสมควรแท้เพื่อปรารกความเพียรในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมเข้าใจง่ายเปิดเผยประกาศไว้แล้วเป็นดุล พื้นผ้าเก่าที่ตัดไว้แล้วอย่างนี้ว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีผลใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษไม่บรรลุผล น, นั้นก็จักไม่หยุดความเพียรของบุรุษบุคคลผู้เกียจคร้าน เกลื่อนกล่นไปด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์และทำประโยชน์ของตนที่ยิ่งใหญ่ให้เสื่อมเสียไปส่วนบุคคลผู้ปรารจความเพียรผู้สงัดจจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขและทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของตนให้บริบูรณ์ได้การบรรลุ ธ, ธรรมที่เลิศ ด, ด้วยธรรมอันเลวหามไม่แต่การบรรลุ ธ, ธรรมที่เลิศ ด, ด้วยธรรมอันเลิศ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 ไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรจากมีแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริการของชนเหล่าใดสัการักของชนเหล่านั้นจะมีผลมากมีอนิสงมากเพราะเราทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสาเหนียกดังพานนามาชนิแลพิสุท์ทั้งหลาย บุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของตนสมควรแท้เพื่อที่จะทำกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อื่นสมควรแท้เพื่อที่จะทำกิจของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแท้ที่จะทำกิจของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ทุติยทศพลสูตรที่สองจบ